สระณะขมนะปาถะธรรมายังติสระณะขมนะปาทางพนามาเสพพุทธางสารนังขัชฉามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ธรรมังสรนังคัดฉามีข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะ ง, งสร้งขางสารนังคัดฉามีข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณัทุติยามปิพุทธังสารนังคัดฉามี แม่ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณาทุติยมปิธรรมังสารณงคาชามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารนาทุติยมปิดซังขังสรณงคัาชามิ แม่ครั้งที่สองข้าพระเจ้าถือเอาพระสงค์เป็นสารนาตาติยัมปีพุทธทางสารานางคัจามีแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณาตาติยัมปิธรรมมังสารานางคัจามี แม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะตาติยมบิสังคังสรนางขัาชามีแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณา